ทางไปของจิตเมื่อเกิดความสงบทางไปของจิตมันมีอยู่สามทางในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิตอนต้นๆคือเรารู้สึกว่าร่างกายของเราก็ยังมีอยู่แต่รู้สึกว่าจิตมันสงบถ้าหากว่าสงบแล้วถ้าจิตส่งกระแสออกนอกเกิดมโนภาพซึ่งเรียกว่าภาพนิมิต ถ้าตามลมวิ่งเข้ามาข้างในสงบอยู่ใน่้มกลางของร่างกายจะมองเห็นอวัยวะภายในรู้สึกว่ากายของเราเหมือนแก้วโปรง่งใสถ้าหากว่าไม่ไปอย่างนั้นถ้าจิตไปรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวก็จะรู้เห็นความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับทางไปของเขามีอยู่สามทาง ภาวนาง่ายๆสบายๆเวลาปฏิบัติอย่าให้ตึงเครียดถ้านั่งก็นั่งให้สบายที่สุดถ้าเราจะไหว้พระสวดมนต์ก็สวดเสียพอเสร็จแล้วนั่งกับพื้นไม่ถนัดจะไปนั่งเก้าอี้ก็ได้เวลานอนลงไปกำหนดรู้จิตไปจนกว่าจะนอนหลับ ถ้าจิตนิ่งนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งถ้าว่างปล่อยให้ว่างถ้าคิดปล่อยให้คิดเอาสติตัวเดียวตามไปจนกว่าจะนอนหลับทำต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันอย่าไปนั่งไปเดินหรือไปอะไรจนหามรุ่งหามคำ่ำเพียงแต่ว่าให้มีสติกำหนดรู้จิตตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่สมาธิ แต่สมาธิเป็นกิริยาของจิตเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดวิธีการให้มากนักปกติเราสามารถที่จะทำสมาธิได้ตลอดเวลาการทำการพูดการคิดให้มีสติลูกเดียวบางคนเขาปฏิบัติต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องนั่งสมาธิให้ลำบากแต่สมาธิเขาจะไปเกิดขึ้นในขณะนอนหลับถ้าเวลาทำงานอยู่หรือยังไม่หลับ เมื่อมีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะกำหนดอะไรแต่จิตกับสติมันควบคู่กันไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจังหวะที่มันจะรู้จะเห็นอะไรขึ้นมามันจะว่างลงนิดหนึ่งพอไหวตัวพับอ๋อสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะรายงานออกมา เรียนสมาธิไม่ต้องเข้าสังกัดสำนักไหนไม่ต้องไปไ ข, ขว่คว้าหรอกว่าจะไปนั่งสมาธิสำนักโน้นสำนักนี้ฝึกไปกับเรื่องชีวิตประจําวันนี่แหละยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มพูดคิดทําเป็นเรื่องชีวิตประจําวันเราฝึกสติอย่างเดียวเวลานอนลงไป จิตมันคิดอะไรช่างมันปล่อยให้มันคิดไปเอาส ต, ติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันแล้วจะได้สมาธิแน่นอนไม่ต้องไปเรียนที่ไหนบางทีเราไปฝึกสมาธิในสำนักโน้นสำนักนี้เราไปถูกสะกดจิตประเดี๋ยวก็วิ่งไปหาเขาเรื่อยเมื่อวานเนี้ยลูกสาวครอบครัวหนึ่งมาบ่นอยู่นี่เขาบอกว่าแม่ไปปฏิบัติอยู่สำนักนั้น ขนเอาแต่เงินไปบำรุงพระหนูจะจนตายแล้วเดี๋ยวนี้ทำยังไงแม่ถึงจะหยุดหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเออนึกว่ามันเป็นความสุขของแม่ก็แล้วกันทรัพย์สมบัติท่านหาไว้เสรีภาพในการใช้ของท่านมันมี